อันหนึ่งสิ่งที่ควรละต่อไปนี่อกุศลเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นก็อักุศลทั้งหลายก็จะถูกละออกไปเนี่ยนะเพระั้นคนที่มีสติอย่างถูกต้องเนี่ยนะปล่อยให้อักุศนเกิดขึ้นไหมถ้าสติเกิดขึ้นถ้ามีสติดังกล่าวไปเนี่ยปล่อยให้ความฟุ้งซ่านเกิดไหมถามว่าถ้าฟุ้งซ่านเสียหายตรงไหนถ้ามีสติจริงเนี่ยรู้เลยว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายขนาดไหน อันนี้ก็ล้กันถ้าผู้ที่เป็นผู้บริหารนี่เห็นชัดถ้าลูกน้องแต่ละคนก่อกวนหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเขามาบรรยายธรรมนี่โยมชวนกันคุยหมดเลยอนาะทุกคนมีเรื่องธุระของตัวเองขมงชงเชงหาของกันยกบัรยายนเลยนะถามว่ามันได้งานไหมอ้าถ้าใจเรามันเป็นอย่างนั้นมั่งจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะถ้าแต่ละคนเนี่ยเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายใครอยากทําอะไรก็ทําทําอย่างที่ใจอยากทําอำนะแล้วแต่อัดฟุ้งซ่านนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ อันน่ะเรื่องหนึ่งมันภายในห้านาทีนี่คิดได้ยี่สิบสามสิบเรื่องแล้วก็ไม่รู้จริงสักเรื่องด้วยไมนรู้คิดให้มันเป็นอะไรแล้วว่าฟุงา้งซ่านถามว่าถ้าฟุ้งซ่านแบบนี้เนี่ยนะทายังไงไม่ให้มันฟุง้งซ่านสมัยนั้นต้องทํายังไงเพื่อไม่ให้มันฟุง้งซ่านเป็นสมัยที่ต้องเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงต้องระลึกถึงความสงบเนี่ยนะปัสสัทธิสมาธิสัมโพชฌงเป็นสมัยที่ต้องเจริญ ปัสสัตทิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงแล้วสตินี้บอกเลยนะว่าจะต้องเจริญคุณธรรมเหล่านี้ว่าตอนนี้เราฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านเกินไปที่จะเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นควรแล้วที่เราจะต้องมีความสงบระงรับแล้วทํายังไงจึงจะสงบระงรับรละเลึกถึงอะไรให้จใจสงบระงรับเพราะสติเป็นตัวสติเนี่ยเป็นธรรมที่จำปรารถนาในที่ ทั้งปวงเนี่ยนะแล้วทำยังไงจึงจะสงบระงับทํายังไงจึงจะเจริญปัดรรสัตว์ที่สำโพธชงยามฟาุ้งซ่านก็บอกว่าเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยอันหนึ่งาบางทีเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างบางทีเกิดจากโภชนะก็ได้เนี่ยนะก็ดูว่าอาหารเนี่านบางอย่างในฟุ้งซ่านได้ไหมได้หรืออุตุไหนนะ ไม่พูดถึงอาหารทั่วๆไปเนี่ยบางคนทานอาหารที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสปายะนี่ไม่เดือดร้อนตลอดเลยนะปั่นป่วนตลอดพ อ, อืดพะ อ, อมอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นเนี่ยเขาแสดงว่าอาหารแบบนั้นไม่สปายะหรืออุตุเป็นยังไงสปายะไหมอะไรหรืออะไรเราทําพอดีไหมมากเกินไปหรือเปล่าหลายๆอย่างนี่เกินไปไหมอะไรแค่ว่าสังเกตดูว่าเจริญเช่นอ่านเท่าไหร่บิดกเนี่ยอ้อ่า น, านา อ, อ่า น, า น, านทั้งวานทั้งคืน ตน้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยต้องหาความพอดีให้พบนะบางคนบอกอ ฟ, ฟังฟังฟังฟังจนเทพพังไปเครื่องหนึ่งเลยนะฟังเทพพังอะไรเลิกเลยก็มีเนี่ยนะอันนั้นก็เกินไปอีกมนะันแค่ว่าหาความพอดีให้พบเนี่ยนะอะไรที่เกินขึ้นไปโดยมากเหลือร้อนหมดนะแล้วเป็นยังไงคลุกคลีกัคกกบคนฟุ้งซ่านอยู่หรือเปล่าคบกับคนกษัตริย์กระส่ายหรือเปล่าหรือคบกับคนวุ่นวายเนี่ย น, นะคบกับคนวุ่นวายใจเราก็พลอยวุ่นวายตามไปด้วยท่นก็ต้องเลือกหาคบคนที่สงบ อย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาถึงธรรมที่สงบเราแล้เลือกไว้เสมอว่าธรรมะสูตรใดที่จะทําให้ใจเราสงบที่สุดนะเราก็เอาสูตรนั้นมาแล้วเลือกไว้บ่อยๆคือคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะควรจะมีสูตรประจําใจสักคนละสองสามสูตรลนะเช่นว่าเวลาที่ตัวเองฟุ้งซ่านควรจะนึกถึงสูตรไหนดีนึกแล้วสบายใจนึกแล้วสงบใจจะต้องมีสักสูตรหนึ่งนะเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับ บางคนที่อายุมากๆหน่อยเขาจะมียาประจําตัวใช่ไหมเขาจะมีโรคประจําตัวคนละอย่างสองอย่างเนี่ยนะบางคนก็มียาหอมยาดมเนติดตัวเนี่ยนะบางคนก็ยาอะไรนะยาอมติดตัวบางคนก็ยานวดยาทาติด ต, นะตัวเนี่ยนะมีปัญหาก็ยาของเขาเนี่ยประจําตัวก็เลยแหละนี่ก็เหมือนกันเราจะทํายังไงให้มีกรรมฐานประจํำใจแบบนั้นซักมีพระสูตรประจําใจเนี่ยนะบอก็ตอนแรกเลือกหาพระสูตรที่ตัวเองคิดว่าเหมาะที่สุดเนี่ยนะ เ, เรานี่เป็นคนมักฟุ้งซ่านพอระลึกถึงสูตรนี้เมื่อไหร่แล้วเย็นสบายใจทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็หาสูตรเหล่านั้นมามาสาธยายมาท่องให้จําเลยนะเอาให้ชํานาญเลยกลายเป็นว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไว้คอยคอยกํากับดูแลพระสูตรถ้ามองเห็นหนึ่งสูตรมีคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นี่วิเศษมากจริงๆอัตถคตาท่านบอกให้คิดอย่างนั้นจริงๆท่านบอกอย่างนั้นเลยนะว่าพระสูตรแต่ละสูตรบางทีเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ หรือบางทีหนึ่งสูตรเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าสองส อ, องค์ด้วยซ้ําไปเพราะหนึ่งสูตรบางทีมีหลายธรรมขันธ์ท่าะเราสามารถทรงจําพระสูตรที่เอาไว้สระงับความฟุ้งซ่านบางคนเอา ย, ยิ่งฟุ้งอยู่แล้วเนี่ยไปคิดถึงพระสูตรก็ฟุ้งนะ่ะเข้าไปสินั่นเป็นสูตรที่เรามันจําไม่ค่อยได้สูตรที่เราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็จําไม่ได้แต่หาอันนี้ฟุ้งแน่นอนเชื่อเถอะแต่ว่าก่อนที่จะฟุ้งเนี่ยจำสูตรนั้นให้ได้ก่อน นะเตรียมการให้มันดีก่อนไม่ใช่ว่าโอหเอาไฟเผาบ้านเผ า, าเมืองเสร็จแล้ววิ่งหาน้ํากันพลาดไปหมดเลยนะไม่มีประโยชน์แน่นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรนะเตรียมน้ําเอาไว้สมบูรณ์ให้ดีเต็มที่เพราะเขตนี้ไยแรงเหมือนกันก็ต้องเตรียมให้มันเต็มที่เพราะเราจะเตรีย ม, ย, มยังไงเอากรรมฐานอะไรเอาพระสูตรอะไรเราดูเนี่ยบางคนถ้าหากว่าเป็นคนที่ฟุ้งด้วยโทสะบ่อยๆต้องหาพระสูตรที่เกี่ยวกับ มมเมตตาเนี่ยมาสาธยายเช่นกรณีเมตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะมาสาธยายเอาไว้เลยหรือพระสูตรที่กล่าวถึงอนิสงค์ของเมตตารหรือพระสูตรที่พูดถึงโทษของโทสะเป็นต้นถ้าเป็นปกติมีเป็นคนที่ฟุ้งด้วยโลภะล่ะก็เอากัปกะเทระคาถาเป็นต้นเนี่ยนะพระสูตรที่เกี่ยวากับอสุภาษณ์เนี่ยมาสาธยายไว้เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือวิชยะสูตรไปได้นเนี่ยนะสาธยายเอาไว้บ่อยๆให้ใจชำนิชำนาญหรือเป็นคนที่หลงระเลิงคิดไปเรื่อย มรณะนุสติสูตรเป็นต้นก็เอามาสาธยายไว้บ่อยๆละลิกถึงความตายไว้เสมอพราะนั้นพระสูตรเหล่านี้จะช่วยเรามากเลยนะพระสูตรเหล่านี้จะช่วยมากถ้าเราจําได้จริงๆอ่ะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าสูตรทุกสูตรนี่เชื่อเถอะเขามีผู้บรรลุมรรคผลเพราะพระสูตรทุกสูตรอยู่แล้วขอให้เราทรงจําได้ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเพราะคำํำย้อนกลับมาหนึ่งผู้ที่เป็นคําว่าพหูสูตรในพระาศาสนาเนี่ยบางทีอาจจะจําแค่สองบรรทัด จำแล้วเอาไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําได้นั่นก็เรียกว่าเป็นพหูสูตเรียกว่าเป็นผู้ทรงธรรมไม่ต้องไปจําเป็นเล่มๆ เ, เป็นนิกายนิกายเป็นคือถ้ามีบุญอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะไม่ใช่ได้หน้าลืมหลังได้ซ้ายลืมขวาไงนะก็มีบางคนเนี่ยโอ้ยอยากจะจําให้มันเยอะๆๆก็ท่องไปเรื่อยแล้วไอ้ข้างหลังก็ลืมหมดแล้วท่องไปข้างหน้าข้างหลังก็ลืมใครว่าเป็นอย่างเงี้จริงๆไงนะลืมอย่างบางคนเนี่ยท่องได้ทั้งหลายสูตร เอไปคิดเรื่องอื่นแป๊บเดียวเนี่ยนะเท่ากับท่องใหม่อีกแล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่าเป็นคันถะประีพดมากังวลในเรื่องการท่องจําและสาษยายหญเอาพระสูตรที่มันชะงัดใจของเรานี่แหละให้มันดีๆบางส่วนที่เหลือให้หนังสือเนี่ยเขาช่วยจําให้ใช่ไหมเอาหนังสือเขาช่วยจําด้วยแล้วแล้วจามแม่นด้วยนะไม่มีพลาดนะถ้าไม่ให้ปลวกมันช่วยกัดไปก่อนเนี่ยนะ มันจะจำแม่นอยู่แล้วพ่านเราเลือกเอาสูตรบางสูตรที่เราประทับใจที่เราพอใจหรือได้สองสูตรก็ได้สามสูตรก็ได้แต่ถ้าจะได้มากนี่ไม่ห้ามแต่ไอที่มากเกินไปแลวจำไม่ได้สักอย่างเนี่ยนี่ก็เกินไปอีกเขามามีเพื่อนหลายคนนี่ยกคนหนึ่งอุ้ยท่องท่องท่องท่อท่องวัองท้งท่นนทอมันเลิกองท่องท่ององท่องท่องท่องท่องท่องทองท่องท่องท่องท่อีท่อง่องทองน่อ่นงทองทอ หาพอดีให้มันพบเนี่ยนะว่าศึกษาเหมือนกับว่ายาประจําใจของเรานี่แหละหาพสูตรประจําใจถ้าถ้าฟุ้งซ่านขึ้นมาใช้สูตรไหนที่มันเหมาะสมเนี่ยนะแล้วถามว่าเอ้าท่องครั้งเดียวก็ไม่เห็นเลิกบอกว่าอย่าไปครั้งเดียวเลยเอาเป็นร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งก็ได้เนี่ยนะวันหนึ่งได้เป็นร้อยครั้งหนึ่งครั้งก็ได้บุญหนึ่งทีสิบครั้งก็ได้บุญสิบทียี่ิบครั้งก็ได้บุญยี่สิบทีถ้าหมื่นครั้งก็ได้บุญเป็นหมื่นทีอยู่แล้วก็ให้ใจมันเป็นไปกับธรรมะเหล่านั้นเธอ เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็หาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสามาท่องมาสาธยายก็บอกว่าโอ้ยท่านจําแม่นไม่ยากหรอกใครบอกมนะทําไงรู้ไหมเขามาปิดไว้หน้าห้องมีกติกาว่าถ้าเข้าหนึ่งทีต้องอ่านหนึ่งครั้งถ้าจะออกห้องก็แบบว่าไหนขี้เกียจก็ไม่อยากออกไม่อยากเข้าอะไรนะ เปิดติดไว้เลยนะเข้าต้องอ่านหนึ่งครั้งออกแล้วก็อ่านหนึ่งครั้งเข้าอ่านหนึ่งครั้งออกอั้นถ้ามีสุระเข้าห้องสิบครั้งเนี่ยอ่านสิบรอบเอ้ถ้าว่าอย่างนี้สักสิบเออสักห้าเดือนจะเป็นยังไงจําได้อยู่แล้วอ่ะนี่ก็เหมือนกันบอกว่าอ่าอ่ารสักแบบมิกแบบเหมือนอะไรนะเหมือนกินยาตามเวลาเอามาว่าตามเวลาตามเวลาที่มันก็จําได้เดี๋ยวก็ท่องได้เดี๋ยวก็คุ้นเคยได้สําหรับคนที่ปัญญาน้อยทั้งหลายเนี่ยนะจำอะไรไม่ค่อยได้ ก็ว่าให้มันได้สักหมื่นครั้งดูสิบางเรื่องที่เราจําได้เชื่อไหมเราพูดเป็นสิบสิบยี่สบครั้งร้อยครั้งพันครั้งโดยซ้ําไปเหมือนเพลงบางเพลงที่เขาร้องได้เนี่ยฟังซะจนทะลุโปร่งหมดอ่ะนะจนขึ้นตับต่อได้เลยทันทีเนี่ยนะเพราะความบ่อยๆความเคยชินนี่จะช่วยได้พระสูตรที่เราชอบชอบก็เหมือนกันอ่านไปเถอะสักอ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วดูว่าสูตรไหนเราชอบที่สุดมาสาธยายดูถ้าทรงจําได้ก็เอามาสูตรแต่ถ้าอยู่ในใจได้เนี่ย อันนี้เขาเรียกว่ามนมนนี่แปลโดยศัพท์แตะว่าอะไรแปลว่าความรู้เนี่ยนะมันตาเนี่ยแปลว่าความรู้ก็กลายเป็นมนประจําใจเรียกว่าเวทก็ได้เวทก็แปลว่าความรู้กลายเป็นผู้มีเวทมนประจําใจเนี่ยนะคิดว่าใจที่ไม่มีเวทมนเป็นยังไงใจมืดใจบอดใจโง่ใจเข่าเนี่ก็ให้มันเป็นใจมีเวทมีมนเนี่ยโดยเราฟุ้งสร้างเอาคาถานี่มาไล่เลยนะระงับผีคือความฟุ้งสร้างอยู่ในใจเนี่ยนะท่องคาถาเวทมนอันนี้แหละ เพื่อระ ง, งับอะไรนะผีคือความฟุ้งซ่านที่อยู่ในในใจนี้เอาไปเอามามันดันขี้เกียจเอกทํำไงไงเกิดมันท้อแท้เกิดมัน ท, อท้นทอถอยขึ้นมาเนี่ยนะเกิดความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นสมัยที่ต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นสมัยที่ต้องเจริญรรวิริยะสัมโพชฌงเป็นสมัยที่ต้องเจริญปีติสัมโพชฌงะนะต้อคนที่ศึกษาธรรมะระดับหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะเขาเจริญกรรมาฐานตามสภาพของใจ เขาพิจารณาธรรมะตามสภาพของใจว่าใจเวลาเนี้ยเป็นใจประเภทไหนสภาพตกไปในทางหดหูใช่ไหมแปลว่าขี้เกียจหรือตกไปในทางฟุ้งซ่านใจโดยทั่วๆไปนี่มันแบ่งอยู่สองกลุ่มเท่านั้นแหละไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกประเภทฟุง้งกับประเภทกดหูแปลว่าล้าหลังกันเลยทงนะคิดง่ายๆว่าพวกล้าหลังกันเลยทงถ้าพอดีเมื่อไหร่ยังไงมันก็เกิด บ, บรรลุแล้วล่ะไอพวกล้าหลังนี่ให้เรียกพวกหดหู ที่เกียดอีกแล้วแหมมันมันไม่ก็อยากคิดอะไรนะมันแบบทําตัวเหมือนคนเฉยๆว่างั้นเหมือนดีว่างั้นทําเป็นเฉยๆไม่คิดอะไรอู้ยอุเบคาว่างั้นหนักในอุเบคาหรือหนักในโมหะกันแน่เนี่ ย, ยนะเขาบอกว่าสุ ข, ขเวทนาใกล้ต่ออะไรราคะทุกเวทนาใกล้ต่ออะไรโทรสะอุเบคาเวทนาใกล้ต่ออะไรโมหะเขบอกอ๊้ยเขาเนี่ยเฉยๆอะไรก็เฉยๆไปหมดเลย เป็นทานไหมบอกไม่ศีลใช่ไหมไม่ใช่สมถะใช่ไหมไม่ใช่วิปัสนาใช่ไหมไม่ใช่ใช้เฉยในพระธรรมสูตรใดสูตรหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่พิจรารณาอริยสัจอยู่สักข้อหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เฉยมันก็มีอันเดียวอะนะตกลงนะโมหะอันเดียวเพราะเฉยอันนั้นควรละอยากเจริญต่อไปเลยนะั่นน่ะเพราะให้มองความเฉยๆนั้นเป็นความเสียหายก็อย่างที่ว่าบอกถ้าใชเฉยๆแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยนะสมองเสื่อมแน่ มองไม่ทํางานเหมือนกันเรียกว่ารูปปกายเดียเหมือนกับว่าแขนไหนที่ไม่ค่อยใช้งานในแขนนั้นจะรีบรีบฉันใดถ้าเราไม่ใช้ความคิดบ่อยๆในรูปมันก็มีปัญหาคุณภาพของสติปัญญาก็ลดลงเพราะฉะั้นอย่ายินดีในความเฉยเลยเนี่ยนะแต่ถ้าเฉยเกือบบรรลุเฉยรอบรรลุเป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแบบแบบอะไรนะสังขารูเปกขาหยาดแต่เฉยอันนั้นเฉยด้วยปัญญานะแต่ถามว่าปัญญานี้เกิดร่วมกับความใช้เฉยใช่ไหม เกอร่วมกับส ม, มนัสก็มีเกิดร่วมกับอุเบกขาก็มีแต่ว่าใช้ด้วยอนุภาพของปัญญาถ้าอย่างนั้นก็ใช้ในสมัยที่ควรใช้บอกเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วระหว่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ตัวดีขานเป็นคนที่มันเลือกเฟ้นมันวิจัยมันไขครวนมันพิจารณาให้รอบครอบเป็นคนที่ละเอียดล ะ, ละออถี่ท้วนในจิตของตนผู้ที่มีความละเอียดละอีถี่ท่วนในการวิจัยจิตของตนอันนี้แหละเรียกว่าคนมี สติสัมโพชฌงเพราะสตินี่เป็นตัวปรับว่าสมัยนี้เป็นสมัยควรเจริญวิรยิยะสัมโพชฌงปีติปัสสัทธิหรือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌ ง, งนี่สติเป็นตัวจัดแจง